แกนิสัยพูดสร้างหลุมดำทางอารมณ์จริงหรือถ้าพูดไม่ดีพูดเป็นลางร้ายจะดึงอัปมงคลเข้าตัวหรือทำให้ประสบเคราะ์ร้ายถามตัวเองว่าเคยเจอไหมคำพูดที่ยกจิตขึ้นสูงทำให้ใจสว่างโปร่งแล้วบ่อยแค่ไหนที่คุณเจอคำพูดที่กดให้จิตตก ทำให้ใจมืดหม่นได้เฉียบพลันจากประสบการณ์ตรงของทุกคนทำให้เห็นตรงกันได้ว่าคำพูดสว่างสว่างมีจริงและคำพูดมืดมืดก็มีจริงคำถามที่เหลือคือแค่พูดแค่ลมปากจะดึงมงคลหรืออัปมงคลเข้าตัวได้จริงหรือการพูดถ้อยคำร้ายๆแค่ครั้งสองครั้งก็คงไม่เท่าไหร่ เปรียบเหมือนโปรยละอองเกสรดอกไม้พิษขนาดเล็กเข้าที่แคบจำกัดไม่มีผลให้ตัวเองหรือผู้รับเกิดอันตรายเท่าใดนักแต่หากถ้อยคำมืดๆหลุดจากปากเป็นประจำกระทั่งกลายเป็นวิธีพูดหรือนิสัยการพูดอันเป็นบาปเป็นของร้ายจะเหมือนสร้างเกสรมีพิษขนาดใหญ่พร้อมพ้นให้กระจายสู่อากาศกว้าง เป็นอันตรายทั้งกับตัวเองและคนอื่นได้มากคนที่พูดมืดมดเป็นประจำจะก่อความรู้สึกสวยๆขึ้นกับตัวและคนใกล้ชิดสามารถรู้สึกได้ไม่ใช่อุปาทานเพราะเมื่อกระแสะความมืดเข้าห่อหุ้มตัวเต็มที่ก็ดึงดูดอัปมงคลทั้งหลายเข้ามาหาได้ไม่จำกัดเช่นสตา์กาลังดีๆ ก็เหมือนมีอะไรมาแกล้งให้เสียหรือถ้าชะตากำลังไม่ดีก็ยิ่งเหมือนสวยซ้ำสวยซ้อนเข้าไปอีกบางคนสะสมวาจาอันเป็นพิษไว้มากแม้พูดธรรมดาแต่คนอื่นกลับรู้สึกเหมือนโดนปีศาจสาแช่งหรืออย่างน้อยก็ขัดอกขัดใจกับน้ําเสียงระคายโสดฟังกี่ทีก็รู้สึกเหมือนคำพูดไม่เข้าหูอยู่ตลอด คนเราเริ่มอยากพูดร้ายๆกันตอนไหนส่วนใหญ่จะร่ำพูดร้ายเพราะเจอเรื่องร้ายเกิดความอึดอัดอยากบ่นอยากระบายในนามของความอึดอัดอยากบ่นอยากระบายไม่ได้ระบายแล้วอกจะระเบิดหรือเครียดจนเส้นเลือดในสมองแตกคนเรามักเห็นเหมือนเป็นเรื่องชอบธรรมที่จะพ่นพิกด้วยปาก หรือนึกว่าเป็นเรื่องดีถ้าจะสวดบทอัปมงคลใส่ชีวิตตนน้อยใจกำเนิดแล้วตัดพ้อต่อว่าพ่อแม่ตัวเองน้อยใจวาสนาแล้วก่นด่าฟ้าดินหรือน้อยใจพระที่ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นไม่ได้ก็ติดเตียนพระสงฆ์องค์เจ้าแบบสาเสียเทเสียอะไรประมาณนั้นเมื่อพ้นพิษหรือรคาถาอัปมงคลใส่ตัว เรื่องแย่จึงยิ่งดูแย่เข้าไปอีกตอนเห็นคนพูดร้ายๆแบบหน้ามืดตาหมัวคุณจะรู้สึกเหมือนเขากำลังสร้างหลุมดำขึ้นที่ใจกลางชีวิตตนเองจิตดิ้นหนีให้หลุดรอดจากลมความมืดขนาดใหญ่นั้นยากต้องฝังจมอยู่ในสภาพอับแสงปัญญาอับแสงกุศลอยู่อย่างนั้นเมื่อประสบเคราะห์ทางที่ถูกสิ่งที่พึงทำ ควรเป็นการฝึกพูดบวกการฝึกพูดเป็นบวกไม่ได้มีผลทางจิตวิทยาแค่ให้รู้สึกดีแต่ยังมีพลังมหาศจารลรเปลี่ยนชีวิตชนิดที่คิดไม่ถึงได้ด้วยขั้นแรกของการฝึกพูดบวกไม่ใช่แกล้งพูดดีหรือฝืนทำเป็นใช้คำสวยๆแต่เป็นการคิดเป็นการเห็นให้ได้ว่า แง่ดีมีอยู่ตรงไหนในโชคร้ายไม่ใช่สักแต่ปลอบตัวเองหรือหาคำปลอบหลอกๆจากคนอื่นยกตัวอย่างเช่นเสียหายจะได้ฝึกฝีมือหัดแก้ไขให้หายเสียเสียความรู้สึกกับคนอย่างน้อยก็ขอให้ฉลาดขึ้นจากการรู้จักมองคนได้อ่านคนออกกับเขาบ้าง พลาดล้มจะได้ฝึกลุกสั่งสมความแข็งแกร่งขึ้นดีกว่าไม่ล้มแล้วอ่อนแอเท่าเดิมถูกใส่ร้ายจะได้มีโอกาสรู้จักอดทนใช้ตัวจริงและเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เลิกคบจะได้ฝึกคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของเราให้กับธรรมชาติ แง่ดีที่คิดได้ไว้ในใจจะก่อให้เกิดวิธีเลือกคําพูดดีๆตามมาเองไม่ต้องพยายามไม่ต้องฝืนกันมากนักยิ่งได้แง่คิดที่ดีเป็นจนวนให้พูดดีบ่อยขึ้นเท่าไหร่ใจคุณจะค่อยๆสัมผัสกับหลุมขาวที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นณนะใจกลางชีวิตโดยนิมิตหมายแรกๆอาจมาในรูปของความคิดที่แปลกเปลี่ยนไป ออเกิดเรื่องขึ้นมาจะเหมือนคิดดีได้ออกก่อนคิดร้ายแล้วอยากพูดในทางสร้างสรรในทางให้กำลังใจหมู่คณะหรืออย่างน้อยในทางยืนยันกับตนเองว่าไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่เกินจะรับแทนการคิดร้ายก่อนคิดดีแทนการพูดในทางทำลายในทางบั่นทอนกำลังใจหรือในทางทำให้ตัวเองใจฝ่อ คิดถึงแต่อะไรแย่ๆอยากยอมแพ้อยู่ตลอดเมื่อทราบด้วยใจว่าพลังของหลุมขาวอันเกิดจากการสั่งสมคำพูดดีๆมีจริงคุณจะเกิดกําลังใจที่จะคิดดีพูดดียิ่งยิ่งขึ้นตลอดจนเริ่มประจักษ์ว่าคำพูดของคุณมีอิทธิพลทางใจกับตนเองและผู้อื่นอย่างชัดแจ้งเช่น เมื่อใครกำลังห่อเหี่ยวคุณแค่เลือกคำพูดดีๆส่งเข้าหูเขาด้วยน้ำใสใจจริงยิ่งพูดอาจยิ่งรู้สึกถึงความสว่างจากกลางใจที่คอยแผ่ไปกระทบตัวเขาเข้มข้มนขึ้นเรื่อยๆคุณรู้สึกได้ว่าช่วยให้เขาเกิดกำลังใจสดชื่นตื่นเต็มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นผลทางใจในทางขาวบ่อยๆ กระทั่งแน่ใจว่าหลุมขาวอันเกิดจากการพูดดีมีอยู่จริงดึงดูดใจตัวเองและคนอื่นเข้าหาแสงสว่างได้จริงถึงตรงนั้นแม้คุณพูดธรรมดาคนอื่นก็รู้สึกเหมือนเทวดาประทานพรได้แล้วหลุมขาวก็จะคอยดึงดูดผู้คนดีๆเหตุการณ์ดีๆมาเข้าตัวทุกวันหรือถึงแม้วิบากมืดอันเกิดจากบาปเกา่า คอยดักเล่นงานอยู่ก็จะเหมือนมีบอดีิการ์มีรอปภคอยคุ้มกันไม่ให้ได้รับอันตรายถนัดนัก